หาการบูชาท่านที่ควรบูชาพระพุทธภาสิทธมาเสมาเสสหัสเสนโยยะเสชะสตังสมังเอกันจะภาวิตตานังมมหุตมะปิปูชเยสายเวสายเวะปูชนาสยโยยันเจวัสสตังหุตัง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 เปรียบเหมือนการหวานพืชลงบนหินไม่งอกงามไม่มีประโยชน์เหนื่อยแรงเปล่ายังจะมีโทษแก่ตนเสอีกเหมือนชาวนาช่วยเหลืองูเหา่าพอมันฟื้นตัวได้มันก็กัดเอาหรือเหมือนการให้กำลังแก่โจรคนที่ไม่ควรบูชาที่ว่านี้คือคนที่ไม่ได้อบรมตนไม่ได้ฝึกตนด้วยดีไม่มีศีลไม่มีธรรมของสัตบุรุษเป็นคนเปล่าจากคุณความดีที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าโมฆบุรุษ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 การบูชานั้นท่านแสดงไว้สองวิธีคือการบูชาด้วยวัตถุสิ่งของเรียกอามิตสบูชาอย่างหนึ่งการบูชาด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของท่านโดยการอบรมตนให้ดีเรียกปฏิบัติบูชาอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญปฏิบัติบูชามากกว่าอามิตสบูชาแต่ไม่ได้ทรงห้ามอามิตสบูชาการบูชาท่านที่ควรบูชานั้นเป็นสิริมงคลแก่ตน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 พระพุทธภาสิทธินี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่วัดเวรวันเมืองราชสฤทร์ทรงปรารบพรพามผู้เป็นลุงของพระสารีบุตรมีเรื่องย่อดังนี้พระสารีบุตรเทระไปเยี่ยมลุงของท่านถามว่าทํากุศลอะไรอยู่บ้างหรือไม่ลุงตอบว่าบริจาคทรัพย์บํารุงพวกนิคนอยู่ทุกเดือนเดือนละพันกหาปณะนะ พระเถระถามว่าปรารถนาอะไรพราหมณ์ตอบว่าปรารถนาพรหมโลกใครเป็นคนบอกว่าทางนี้เป็นทางไปพรหมโลกภาษาลีบุตรถามอาจารย์ของกระผมขอรับพราหมณ์ตอบท่านเชื่อหรือเชื่อขอรับภาษาลีบุตรจึงกล่าวว่าท่านไม่รู้จักทางไปพรหมโลกแม้พวกอาจารย์ของท่านก็ไม่รู้เหมือนกันพระาศาสดาองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงรู้จักพรหมโลกและทางแห่งพรหมโลกนั้นมาเถิดลุง เราไปเฝ้าพระาศาสดากันทูลขอให้ทรงบอกทางแห่งพรหมโลกพระเถระพาลุงไปเฝ้าพระาศาสดาหลังจากได้ตัดป่าไส้และถามเรื่องราวต่างๆแล้วพระพุทธองค์ตรัสว่าพราหมการแลดูสาวกของเราด้วยจิตเลื่อมใสเพียงครู่เดียวหรือการถวายอาหารเช่นข้าวทับพีเดียวยังมีผลมากกว่าทานที่ท่านทําอยู่ในบัดนี้หรือที่ท่าน ให้แล้วแม้ตั้งร้อยปีดังนี้แล้วทรงสืบมนุสสนธิพระธรรมเทศนาต่อไปว่ามาเสมาเสสหัาดเสนะเป็นอาธิมีนัยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น 6. การบำเรอไฟพระพุทธภาสิทยโยจะวัฏสะสตังชันตุอักกิงปริจเจเรวเนเอกันจะพาวิตตานัง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 ถือว่าไฟเป็นสิ่งบริสุทธิ์ไม่มีอะไรทำให้แปดเปื้อนได้คงความเป็นตัวของตัวเองแม้เผาไหมสิ่งโสโครกอยู่เมื่อสิ่งนั้นหมดไปแล้วไฟก็คงสะอาดอยู่อย่างเดิมไฟจึงเหมาะที่จะใช้เป็นเครื่องบูชาเทวดาหรือผอมการใช้ไฟเป็นเครื่องบูชาสิ่งคารพบนี้ติดมาแม้ในพระพุทธศาสนาตัวอย่างที่เห็นก็คือการใช้ทูบเทียนบูชาพระพุทธรูป และสิ่งที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์อื่นๆตลอดจนถึงจุดบูชาเคารพศพตำราทางพุทธศาสนาชั้นพระไตรปิฎกยังไม่เคยพบว่าใครนําดอกไม้ทูบเทียนไปเฝ้าหรือบูชาพระพุทธเจ้าแต่ต่อมาถึงชั้นอัตถกถาเส่นอัตถกถาธรรมบทเป็นต้นเมื่อกล่าวถึงอริยาสาวกหรือใครก็ตามที่เริ่อมใสพระพุทธเจ้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็มักกล่าวว่ามีของหอมและดอกไม้ติดมือไปด้วยเสมอ ของหอมที่ว่านั้นจะหมายถึงทูกหรือไม่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นในบางไทยเราเวลานี้การบูชาพระตนะตรัยใช้ดอกไม้ทูกและเทียนเป็นประจำเทียนเป็นคู่คู่ทูกสามดอกดอกไม้ไม่จำกัดบางท่านอธิบายว่าทูกสามดอกนั้นบูชาพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณโดยย่อสามประการคือพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณ พระมาหากรุณาที่คุณเทียนสองเล่มบูชาพระธรรมเพราะพระธรรมแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่คือธรรมและวินยัยดอกไม้บูชาพระสงฆ์เพราะพระสงฆ์ท่านเปรียบเหมือนดอกไม้ที่ต่างสีต่างสันถานนำมาจากที่ต่างๆแล้วจัดร้อยเป็นพวงมลาลัยหรือจัดเข้าระเบียบดูสวยงามเหมือนพระสงฆ์มาจากที่ตระกูลและวรณะต่างๆมาร้อยด้วยเชือกคือวินยัยเข้าเป็นพวงเดียวกัน เป็นพระศากยาบุตรเสมอกันหมดดูสวยงามด้วยระเบียบวินัยนั้นมติของข้าพเจ้าวงเล็บผู้เขียนทางแห่งความดีนี้ว่าไม่น่าจะต้องแยกว่าสิ่งนั้นบูชาพระพุทธสิ่งนี้บูชาพระธรรมน่าจะบูชารวมๆกันไปคือดอกไม้ก็ใช้บูชาทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ทูกเทียนก็เหมือนกันหากแยกบูชาเมื่อขาดวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งเส้นขาดเทียนไป ก็ไม่ได้บูชาพระธรรมขาดทู่ไปก็ไม่ได้บูชาพระพุทธขาดดอกไม้ไปไม่ได้บูชาพระสงฆ์อันหนึ่งกล่าวในทางธรรมพระเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์นั้นแม้จะมีชื่อต่างกันแต่ก็เหมือนกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยใจความแยกจากกันไม่ได้เหมือนเพชรเม็ดเดียวมีสามเหลี่ยมลองเอาพระคุณของพระเจ้าพระคุณของพระธรรมและพระคุณของพระสงฆ์มาพิจารณาดูก็เห็นจริงว่า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 ไฟที่สงสอนให้บูชานั้นคือการปฏิบัติชอบในมารดาบิดาครูอาจารย์สมณพราหมุ่ผู้ปฏิบัติชอบทรงเรียกว่าอาหุเนยักขิหุตตะการบูชาไฟคือคนที่ควรบูชาการสงเคราะห์สามีภรรยาบุตรธิดาบริวารชนตามควรแก่ฐานะรวมทั้งการสงเคราะห์มิตรและญาติทรงเรียกว่าขหะปตะขิหุตตะการบูชาไฟคือขหะบดีเป็นต้น ส่วนไฟที่ทรงสอนให้ละนั้นคือกิเลสเช่นราคคิไฟคือราคะโทสกิไฟคือโทสะและโมหคิไฟคือโมหะเป็นต้นข้อความอื่นๆเกี่ยวกับพระพุทธภาสิทธิ์นิ้อธิบายไว้แล้วในเรื่องที่ห้าแห่งวรรคนี้พระาศาสดาตรึเรื่องนี้ขณะประทับอยู่ที่เวรุวันเมืองราชฤททรงปราบรุภามหลานภาษาลบุตรมีเรื่องย่อดังนี้ พระสารีบุตรไปหาหลานถามว่าได้ทํากุศลอะไรประจําวันบ้างเขาตอบว่าฆ่าสัตว์ตัวหนึ่งบำเพ็ญไฟทุกเดือนเพื่ออะไรพระเถระถามเพื่อทําทางไปพรหมโลกเขาตอบใครบอกพวกอาจารย์ของกระผมบอกเธอไม่รู้ทางไปพรหมโลกอาจารย์ของเธอก็ไม่รู้มาเถิดเราไปฝอกพระศาสดากันทูลขอให้ทรงบอกทางไปพรหมโลก พระส า, ารีบุตรพาหลานไปเฝ้าพระาศาสดาพระพุทธองค์ตัดว่าการบุญเลยไฟอย่างนั้นทำอยู่สักร้อยปีก็สู้การบูชาสาวกของเราเพียงคู่เดียวไม่ได้ดังนี้แล้วทรงสื่อพระธรรมเทศนาต่อไปว่าโยจะวัชสตังชันตุเป็นอาธิมีนยะรังพน า, นามาแล้วแต่ตนนั่นแหละเจ็ดท่านผู้ดำเนินตรงพระพุทธภาสิทว่ายังกินจิ ยตถันจะหุตันจะโลเกสังวังชรัรงยะเสทะบุญญเปขโขสัพพังปิตังนะจตุภาคเมติอภิวาทานาอุชุคเตสุไสยโยผู้มุ่งบุญพึงบูชายันและบวงสรวงอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกอยู่ตลอดปีการบูชายันและบวงสรวงนั้นได้บุญไม่เท่าเศษหนึ่งส่วนสแห่งการน้อมเสียนลงกราบไหว้ท่านผู้ปฏิบัติตรงการเคารพ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 พวกนี้ต้องการให้เทพเจ้าโปรดปรานแต่สร้างความเบือดร้อนให้แก่มนุษย์และสัตว์ในโลกเดียวกันถ้าเทพเจ้ายังโปรดปรานคนใจบาปอย่างนี้อยู่อีกเทพเจ้าก็เลวเต็มทนไม่ควรแก่การเคารพนับถือการบูชายันและการบวงสรวงที่ไม่เกี่ยวด้วยคุณธรรมจึงเป็นการทำบาปโดยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นบุญพระพุทธเจ้าจะทรง ป, รปฏิเสธยันโดยประการทั้งปวงก็หาไม่ แต่ทรงสรรเสริญยันที่ไม่มีการเบียดเบียนเช่นการให้ทานการรักษาศีลการบำรุงบานดาบิดาเป็นต้นยันในความหมายของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้การเคารพนบไ้วมต่อท่านผู้ควรเคารพเช่นท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมพร้อมด้วยจิตเลื่อมใสนั้นแม้เพียงครั้งเดียวก็มีผลมากกว่าการบูชายัยนวงสลวงอันไร้สาระอยู่ตลอดปี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 นั่งหรือทำอย่างอาการแห่งผู้สำรวมเพื่อหลอกลวงคนให้เข้าใจผิดผู้ตรงทางกายย่อมเว้นจากอาการเหล่านี้ว่าจะตรงคือพูดจริงพูดตรงกับใจไม่เป็นคนที่เขาเรียกว่าคตในข้ององในกระดูกปากอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งปากหวานคนเปรี้ยวต่อหน้าสารเสริญลับหลังดินทาเป็นต้นโดยปกติคนที่ปากหวานมากๆนั้นเชื่อใจไม่ค่อยได้มักจะหวานเสียแต่ปากแต่ใจขมเหลือเกิน คนที่พูดพอประมาณนั้นต่างหากที่ควรเชื่อถือและควรฟังใจตรงรักใครก็รักจริงใจไม่โลเลหลาะและรักง่ายหน่ายเร็วเหมือนผ้า ย, ย้อมด้วยขมิน้นเคารพใครก็เคารพจริงพักดีต่อมิตรก็พักดีจริงไม่เป็นศัตรูรับรับกับใครไม่มีใจคิดในทางหลอกลวงใครให้หลงผิดท่านผู้มีคุณสมบัติดังนี้เรียกว่าท่านผู้ดาเนินตรง กล่าวให้สูงขึ้นไปท่านผู้ดำเนินตรงหมายถึงท่านผู้ปฏิบัติตรงไปสู่นิพพานไม่ข้องแวะด้วยกามสุขาริการุโยคและอัตติลมทานุโยคมีปฏิปทาอยู่ในมัชชิ ม, มาปฏิปทาคือมักมีองแปดมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นการได้กราบไหวท่านผู้ดำเนินตรงอย่างนี้เป็นสตริมงคลนำความสุขมาให้พระพุทธภาเสร็จนี้พระาศาสดาทรงสแสดงเมื่อประทับอยู่ณนะวัดเวรุวันเมืองราชครื้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 พระเถระจึงว่าท่านและอาจารย์ของท่านไม่รู้จักพรห ม, มโลกแต่พระพุทธเจ้าของเราองค์เดียวเท่า น, นั้นที่ทรงทราบดังนี้แล้วพาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระศาสดาตรัสสอนว่าการบูชายาันการบริจาคให้แก่โลกิยะมหาชนแม้ตั้งปีก็สู้การเคารพนกไหวาสาวกของเราด้วยจิตเลื่อมใสไม่ได้ดังนี้แล้วทรงสืบพระธรรมเทศนาต่อไปว่ายังกินจิ ยธันจะเป็นอาธิมีนยะดังปาณนามาแล้วแต่ต้นจบพระธรรมเทศนาพรามได้บรรลุโสดาปติผลอยังธรรมกะถาสาธายสมันเตหิสันลเะเกตตาปะอติ เนี facility, ่ยนี่มีคติมีข้อคิดได้ดีมากนคนเราการอยู่การดำเนินชีวิตตรงรู้รายละเอียดมากพอสมควรเหมือนกันนี <th> ่ว <nych> ิธีสร้างความสุขวิธีสร้างความดีเนี่ยเป็นทางดูเนินไปสู่สวรรค์นะนี่คือความสุขกายสุขใจเนี่ยถ้าดูคำสอนพระเจ้าสอนละเอียดเหลือเกินเนี่ย สอนละเอียดแว่าแทบทุกกระเบียดนิ้วเลยเนี่ยการยืนการเดินการนั่งการนอนการพูดการเคี้ยวการดื่มทุกอย่างบอกรายละเอียดหมดเนี่ยจริงๆมนุษย์ก็เป็นสัตว์จำพวกหนึ่งแต่เป็นสัตว์ที่ว่ามีสติปัญญามากกว่าเขาน้อย แต่ว่าการอยู่ร่วมกันนะถ้ามีการไม่มีการฝึกเลยเนี่ไม่เรียนรู้เลยเนี่มันก็เกิดปัญหาตลอดเวลาเนี่ยเราจะเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจะเป็นพันปีร้อยปีหรือว่าเป็นหมื่นปีก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าคนไม่มีธรรมในใจนี่มันก็วุ่นวายตลอดเวลาเนี่ยไม่รู้จากข้อปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันเนี่ย ท่านจึงสอน เ, น, เนี่ยไหมนะพระเจ้าท่านตัดสรู้ไว้ท่านต้องมาสอน่ยการอยู่ร่วมกันการแสดงออกทางกายจะควรจะแสดงออกอย่างไรนี่เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะถ้าแสดงออกไม่เป็นก็กลับให้โทษเนี่ยการแสดงทางกายนี่ก็จะท่านจึงให้ลํำลึกถึงศีลเนี่ย หรือสมากัมมันตะเนะี่ยการประพฤติชอบเนะี่ยทำการงานที่ชอบเนะี่ยก็คือมันเป็นส่วนของกายที่เคลื่อนไหวหรือการกระทำเนะี่ยต้องฉลาดมีความไวพลิบเนะี่ยเหมือนท่านอธิบายขยายความก็ชัดเจนดีเนะี่ยต้องเป็นคนฉลาดนะคนหนึ่งทําอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งไปทําอย่างเดียวกัน อาจจะให้โทษก็ได้แต่ในขณะเดียวกันคนหนึ่งทำแ <c oughs> ด้วกับเป็นคุณนี่ก็ประมาดีเหมือนกันนะเหมือนผู้ใหญ่ไปรูปหัวเด็กอย่างนี้แต่ด้วยความรักด้วยความเมตตาแต่เด็กจะไปรูปหัวผู้ใหญ่มันก็ไม่ได้จริงๆในวัดปฏิบัติของพระยาพระสกนีธท่านก็สอนถ้ามองในแง่ฝรั่งมองแล้วก็มอ ง, นะมองเอ๊ะทำไมต้องขนาดนั้นเี่ย เพราะฝรั่งมันชอบทำอะไรเสมอกันนี่มันจึงเรียกร้องสิทธิเท่าเทียมกันนี่ซึ่งมันไม่รู้ว่าการใช้สิทธิเท่าเทียมกันมันเกิดปัญหามากมันไม่เป็นธรรมชาติเลยธรรมชาติจริงๆแม้แต่สัตว์แมลงมันก็ยังต้องแบ่งแยกตามหน้าที่ของมันมันยังมีหัวหน้ามีลูกน้องมีพวกคนใช้คนอะไรมันก็มีเหมือนกันพูดปรับใช้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติเนี่ย นี่คือปฏิบัติให้ถูกต้องตามฐานะภาวะเท่านั้นแหละเนี่ยมนุษย์เรามันจะเสมอกันไม่ได้เนี่ยถ้าเสมอกันก็โอ้ยมันก็ต้องทาอย่างเดียวกันหมดสนะินเนาะทาไมต้องมีคนน้อยคนใหญ่คนมีเกียรติไม่มีเกียรติคนใช้คนอะไรทำไมไม่ดึงให้มันเสมอกันขึ้นมามันเอาไม่ได้หรอกนะนแต่ถ้าเสมอกันด้วยคุณธรรมอย่างนี้เออพอนั้นหน่อยเนี่ยสร้างคุณธรรมขึ้นมา คุณธรรมนี่สามารถให้คนเราอันนี้ขึ้นมาเท่าเทียมกันได้มีคุณธรรมแต่เป็นพระโสดาบันขึ้นมาเท่าเทียมกันก็เป็นพระโสดาบันแต่สงบนะถ้ามีคุณธรรมอันนี้เกิดขึ้นถ้าได้เป็นพระโสดาบันก็ยิ่งสงบเนี่ยเลื่อนขึ้นไปอีกก็ยิ่งสงบยิ่งขึ้นยิ่งไปจนไม่มีปัญหาเยเป็นพระหันหมดปัญหา แต่โลกที่มีอยู่นี้เพราะปฏิบัติไม่ถูกนั่นเองเนะีคำพูดก็ใช้ไม่ถูกการกระทําก็ไม่ถูกเนะี่ยบางทีก็ต้องฉลาดเหมือนกันนะบางทีไปเราต้องสังเกตไปเห็นที่ไหนไปอยู่ที่ไหนถ้าเราเรียนข้อวัดปฏิบัตินี่ถ้าไม่รู้น็เก้อเขินได้เนะี่ยไปที่ไหนเราจะนั่งจะอะไรเห็นไหมพระอานุ น, นี้ท่านอยู่ใกล้พระเจ้านี้ ท่านสังเกตว่าถ้าที่ไหนที่พระองค์ทรงประทับท่านจะไม่แตะอนะไรไหมนี่วางของบริการของตนว่างไม่ได้อย่าไปว่าแต่นั่งเลยนะแม้ของเนี่ยของของเราจะไปวางในที่อย่างนั้นก็ยังต้องระวังนี่เราต้องฝึกนะี่ะผมบางทีก็มองแล้วผมก็มองดูว่าคนที่จะละเอียดละออในเรื่องนี้มันก็ยากเหมือนกันนะเคยไปบางองค์บางท่านไปเนะี่ย ไปเห็นที่นั่งไปขนาดไปกุติครูบาอาจารย์พระเถระไปเห็นที่นั่งก็ไปนั่งเลยไม่รู้ว่าที่ของใครเนี่ยบางทีเป็นที่นั่งของครูบาอาจารย์พระเถระหนูไปก็ก้าว <c oughs> ขึ้นเลยเนี่ยมันไม่ไดเออ้เสียมารยาทเนี่ยไม่พิจารณาให้ดีซะก่อนผมนี่ไม่กล้าละแม้จะแม้จะเข้าจะพรรษาน้อยกว่าเลยเพราะเราไม่รู้บังกันว่าเป็นที่นั่งอะไรเนี่ยเราก็ต้องระวังระวังตนก็ได้ว่าการแสดงออกลักษณะนี้มันก็ทําให้ รู้ว่าเป็นผู้มีวัดมีข้อปฏิบัติเนี่ยจะจับจะต้องอะไรนี่ต้องเกรงใจไม่จะเห็นอะไรก็จับไปทั่วเนี่ยของใช้ของสอยเหมือนกั น, เ, นเห็นวางอยู่ก็จับนี่จับไม่ได้มันก็ได้อยู่แต่ว่ามันเสียมารยาทไงบางทีของครูบาอาจารย์ของใครก็ไม่รู้มันถ้าทั้งโลกผมก็ยังเสียมารยาทแล้วถ้าทางธรรของครูบาอาจารย์บางที่ต้องถามก่อนขอโอกาสก่อนอย่างนี้หรือท่านอันนั้นก่อน ท่านไม่ว่าเลยแต่บางทีมันก็ทำให้เสียมรยาทหรือทำให้เรานั้นบ่งบอกถึงการที่เราเนี่ยไม่ได้ฝึกวัดปฏิบัติเนี่ยไม่รู้วัดเนี่ยบางทีที่ตากที่อะไรเหมือนกันนบางทีผมก็มองเหมือนกันเลยนี่บางทีเป็นที่ของครูบาอาจารย์ตาก่ประจำเนี่ยบางทีโยม อ, อกผ้าไปตากเลยก็มี <c oughs> ไม่มีใครรู้เหมือนเต่าพิณนาเนะี มันพิจนาไม่ยากเราก็ที่นี้ท่านเคยอยู่อยู่ประจำครูบาอาจารย์ใช้ประจำอย่างนี้บางทีเอาอะไรไปห้อยไปแขวนไว้มันก็ดูไม่งามเวลาท่านมาเห็นท่านไม่กล้าใช้เลยเห็นไหมนี่ผมก็ไม่กล้าใช้เหมือนกันนะ่ยเห็นลูกศิษย์เอาไปห้อยก่อนแล้วก็ไม่กล้าใชา้ทำไมกลัวมันเป็นโทษไงกลัวลูกศิษย์เป็นโทษไม่ใช่อะไรหรอกเนี่ยเราก็ละเว้นให้ขนาดนั้นนะแต่เราต้องเรียนรู้ในกรณีที่ ทำไว้เฉพาะอย่างไร น, นี่เว้นแต่ว่าในที่สาธารนณะแม้กระนั้นถ้าไปกับพระเทระนี่ก็ต้องระวังนี่ถ้าพระเทระท่านใช้อันนี้เราก็ไม่ต้องใช้เว้นไปใช้ตื่ น, นสมมติขึ้ น, เ, นเป็นกรณีพิเศษในขณะที่อยู่กับท่านแต่ถ้าท่านบอกว่าไม่เป็นไรแต่ว่า ม, มีที่เอาตากร่่มกันนั่นแหละถึงกระ น, นั้นเราก็ไม่ให้ลักคนกั น, นให้เว้นไว้อะไรไว้ให้มีตัวแยกตัวแบ่ง เ, เวลาไปอยู่กับท่านจะพักอยู่คืนสองคืนนี้เราก็สมมติขึ้นเอาว่าตรงนี้ให้ครูบาอาจารย์ตรงนี้เป็นของเรานะ น, นี่ต้องแบ่งแยกออกนะเท่า น, นี้ก็มองเห็นในวัดปฏิบัติโอ้น่าเรื่อมใส่นี่นี่มันต้องฉลาดนะฮะที่นั่งที่นอนที่อะไรต้องเป็นผู้ที่มีวัดเนี่ยการพูดการจานี่ก็เหมือนกันนียการพูดการจาก็รู้จักเนี่การทําอะไรมรารยาทแม้แต่อยู่ บ้านพักโยมมันกันเามันเคยมีลูกศิษย์ไปโดนตำหนิมาเหมือนกันที่ต่างทีก็ตำหนิที่หลังหรอกนะคือไม่รักษาไม่สำรวมมา ร, รยาทนะเนี่ยการไปในที่บางที่เนี่ยเขาเป็นผู้ดีเนะี่ยเราต้องสำรวมเป็นพิเศษนะเนี่ยการใช้อะไรเนะี่ยตอนดังแล้ ง, ลงนะมีเรื่องการใช้โทรศัพท์ด้วยวันๆก้มหน้าก้ ม, ต า, กมตาโก้แต่โทรศัพท์ดนะ้วย วัดครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้สนใจเล่นอย่จนเขาจับได้อย่างนี้มันก็ใช้ไม่ได้เนี่ยเสียมารยาทมากเลยนี่นี่ยิ่งสมัยนี้ยิ่งระวังเป็นพิเศษนี่แม้จะใช้ไม่จะอะไรก็ใช้ให้เป็นว่างั้นแต่นะให้รู้จักการลเทสะรู้จักการสถานที่เนี่ยเนี่ยควรใช้ไม่ควรใช้อย่างไรเนี่ยเนี่ก็มองเนี่ยเนี่ยแม้เขาจะยอมรับว่าสมัยนี้มันควบคุมไม่ได้แต่เขาก็มองกิริยามารยาทของผู้ปฏิบัติออก ว่าใครสำรวมไม่สำรวมเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษยิ่งไปที่ผู้ปฏิบัติท่านก็ยิ่งมองใหญ่เนี่ยท่านไม่พูดหรอกแต่ว่าท่านก็บางทีท่านก็เก็บไว้ก่อนนยไม่พูดแต่ความรู้สึกมันก็มีนี่บางทีเรามองเห็นมันเหมาะไม่นอเนี่ยผมเห็นองค์หนึ่งท่านก็ท่านใช้แต่ท่านก็ดีโอ้ท่านระวังมากเลยเนี่ยจะโทรศัพท์ท่านมองหน้ามองหลังนี้วิ่งนี่ บางทีมาเห็นหลบๆอยู่แถวข้างๆนี่ว่าทาอะไรแอบมืโ <c> ท <oughs> รศัพท์กลัวคนเห็นก็ <c oughs> ยังดีหน่อยอย่างนั้นนะไม่ใช่เดินสายไปสายมาบางทีริมฝายต้องระวังมเพราะคนเต็มเนี่ยเขาทำหนิมาบ่อยเลยนีย่ผมก็นมเนี่ยทำหนิมาบ่อยเนี่ยเดินสายไปสายมานี่คนมันเยอะต้องระวังเนี่ยจริงๆหนึขึ้นหลบๆมาถ้ามีอะไรจําเป็นนะหรือไม่จําเป็นก็ปิดไปก็ดีกว่าเนี่ยยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่นี่มันเล่นได้ทุกอย่างนะ เมื่อวานนี้ออกไปโอ้โหข่าวมันออกมาต่อเนื่องเลยทางเหนือเยอะมากเลยพวกตูดอะไรทั้งหลายนี่โอ้โหมันขนาดนั้นนคงจะเยอะมากเลยผมว่าเนี่ยแล้วมันเขาเรียกอะไรมันโพส์อะไรออกไปเชาวบ้านเขาก็บอกว่าก็พระนี่แล้วทำไมจะต้องออกอันนี้มาเลยพวกกันเองและออกมาเองและทําลายตนเองอะไรทํานองนี้เขาพูดทานองนี้ แต่มันโอยมันทําหน้าเกลียดนแล้วมันอยู่ได้ยังไงก็ไม่รู้เลยต้องใช้คาว่ามันเลย <c oughs> กลงคืนออกไปเที่ยวใส่สุดผ้าเหลืองอยู่ในวัดเนี่นี่แต่งตาโอ้โหแต่งขนตาแต่งอะไรหัวโลน <c oughs> ใส่วิกออกไปโอ้มันขนาดนั้นมันไม่ไหวเลยเพราะทางเหนือนี่มากเลยนี่โอ้มันขนาดนี้เลยผมว่าจุดเสื่อมเนี่ยจุดเสื่อมของอ บุคคลในศาสนาเนี่ยศาสนาไม่เสียอมยน่านวาแต่ว่าคนมันเริ่มเริ่มไหลไปการลืมตัวลืมอนี้มันก็มีมากขึ้นนี่คือมันความละเอียดมันไม่ได้พิจารณานก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยเราทำความรู้สึกของเราเองแต่เราลืมมองว่าคนมองเราเขามองอย่างไรเนี่ยเราไม่ได้มองเนี่ยเราความรู้สึกคนนั้นก็มีคนนั้นก็นนนกใช้เนี่ยเราคิดแค่นี้ แต่ผู้มีปัญญาเนี่ยผู้ที่เป็นบัณฑิตฉลาดเขามองเขารู้จักเนี่ยก็ต้องระวังเป็นพิเศษเนี่จะใช้จะอะไรบริโภคอะไรท่านจึงให้พิจารณาไงการพิจารณานี่มันเป็นหลักสาคัญนี่พิจารณาปัจจัยสี่เนี่อันนี้ไม่รู้จัดอยู่ในปัจจัยสี่หรือเปล่ามันเกินปัจจัยสี่แต่ก็ควรพิจารณานม้จะ ใช้แม้ห้ามใช้มันคงยากในะสมัยนี้นี่ถ้าใช้ก็ใช้ให้เป็นใช้เอาประโยชน์จากมั น, นถ้าใช้เป็นธาตุของมันนี่ตายเลยนะลาบากมากเลยเล่นโน้นเล่นนี้ไปลืมขาดสมณวิสัยขาดสมณสารูปไปมันก็หมดเท่านั้นแหละจิตใจก็ฟุ้งซ่านออกไปข้างนอกไม่ได้สำรวมมาภายใ น, นสมณธรรมไม่ได้เจริญสมาธิก็ไม่เกิด มีแต่ความฟุ้งซ่านก็เราทำเหตุให้มันฟุ้งซ่านนี่อะไรควรไม่ควรนี่เออถ้าจะดูจะเล่นเนี่ยควบคุมจิตใจตนเองได้มากน้อยแค่ไหนนีน่ถ้าควบคุมไม่ได้ก็อย่าเล่นอย่าใช้มันถ้าควบคุมได้มันใช้ในทางเป็นประโยชน์มันก็เป็นนี่สื่ออะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติภาวนามันก็มีเหมือนกันนะถ้าใช้เป็นมอนก็จเจริญสติจเจริญปัญญานี ทำให้เราหนักแน่นในกุศลธรรมใดข้อปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาถ้าไม่ย้ำไม่อะไรเตือนตนเองบ่อยๆมันก็ลืมลืมได้ง่ายนะเน้นพระศ า, าสนาหรือสำนักครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยจะเจริญงอกงามไปบุญก็ อ, อยู่ที่ทาวินัยอยู่ที่ผู้ปฏิบัตินี่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบนั่นแหละดีอะไรนี่มันต้องถามเหมือนกัน เมื่อกี้นีอ่านไปดีมา ก, กว่ามีประโยชน์มากเ น, นี่ยอธิบายดีเนี่ยดีกายดีวาจาดีอย่างไรดีใจดีอย่างไรเนี่ยดีอย่างผู้ปฏิบัติเนี่ยดีอย่างไรเนี่ยเนี่ยถ้ากายวาจาก็ต้องมองเข้าไปในเรื่องวินัยเนี่ยวินัยที่ทรงบัญญัติไว้เนี่ยหรือวัดปฏิบัติเนี่ยที่ทรงประทานไว้ให้ปฏิบัติเนี่ยมีรายละเอียดเยอะเนี่ยี่ย นี่แหลยละเอียดถ้าทําตามนั้นหน้าเรื่มใส เ, เดินไปที่ไหนที่ไหนก็หน้าเริ่มใสนี่นนก็เป็นการจันโลงศาสนาเนี่ยบันดีก็ว่าการเรียนรู้ตํำรับตํารามก็ดีอยู่แต่ถ้าขาดการกระทําเท่านั้นแหละมันก็หมดคุณค่าเหมือนกั น, นสู้การกระทำํำไม่ได้เรียนมากมันยังดีกว่าเพราะว่าการกระทำปุ๊ด เป็นการเรียนอยู่ในตัวเห็นว่าเมื่อกี้นี้การปฏิบัติก็เป็นการศึกษาอยู่ในตัวคนปฏิบัตินี่ก็เป็นการศึกษาอยู่ในตัวจริงๆนะถ้าไม่ได้ปฏิบัติเรียนรู้อย่างเดียวมันก็เหมือนกับไม่ได้ทำอะไรเลยการเรียนรู้มาก็ไม่ได้ประโยชน์สมรับนทะีนะ่ทนะ่านวะ่าคนระับนจะ้างเลี้ยงโคให้เขาไม่มีส่วนแห่งน้านมโคจริงๆนี่ ถ้าเป็นเจ้าของก็สบายไม่ต้องเลี้ยงเนี่ยแต่ก็ได้ลิ้มรสของน้านมโคเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าปฏิบัติจริงๆมันก็เป็นปริยัติอยู่ในตัวเนี่ยไม่ต้องไปสงสัยหรอกถ้าปฏิบัติจริงๆว่าผมก็ไม่ได้สงสัยใครจะว่าโง่ว่าอะไรก็ไม่ได้สงสัยนี่โง่เงาเงื้งะไม่เรียนอะนั้นเก็ไม่ว่าอะไรเนี่ย แต่เราเข้าใจเนี่ยถ้าการปฏิบัติเรียบริมรถของการปฏิบัติมันก็เพียงพอนี่อาจจะว่าเราโง่มันก็ไม่เชิงละถ้าเราฉลาดทันกิเลสอยู่นี่ยเาว่าโง่ก็ช่างก็เถอะถ้าเราแพ้กิเลสนี่เขาว่าฉลาดนี่มันไม่ไหวเนีตายหมดเนี่ยเราปฏิบัติรู้เท่าทันควบคุมจิตใจได้เนี่ยอก็จะว่าไม่ได้ศึกษาไม่ได้อะไรก็าตามเนี่ย เราสัมรวมระวังเนี่ยไม่ให้กิเลสมันครอบงาจิตใจได้หรือมันมีให้มันน้อยที่สุดเนี่ยปฏิบัติเพื่อละกิเลสให้มันลดลงได้เนี่ยนี่ต้องการตรงนี้ครูบาอาจารย์ที่ไหนก็ต้องการตรงนี้เนี่ยแม้ปราดทั้งหลายที่เป็นผู้ฉลาดในปริยัตก็ดีนะถ้าเป็นผู้ที่มีใจตรงจริงๆท่านก็เห็นดีด้วยอย่างนี้นี่ท่านก็ต้องการการปฏิบัติเนี่ย ก็อย่างที่ถ้าเราเพิจารณาให้ดีว่าปริยัติมันก็มาจากการปฏิบัติเนี่ยถ้าปฏิบัติถูกปฏิบัติตร ง, งจริงๆมันก็ออกมาจากนี่เหมือนกันนะเพราะว่าเดิมทีเดียวก็ไม่มีภาษาไม่มีคําพูดไม่มีคําหนังสือเขียนอะไรนี่ก็เกิดขึ้นจากการปฏิบัติและบอกกันด้วยปากไงปริยัติก็บอกกันด้วยปากจําเบาเท่านั้นเองคนโบราณเนี่ย ผมมีเพื่อนมาบวชไม่ใช่เพื่อนเ ร, เรียกเพื่อนเพื่อนในฐา น, นะบวชพร้อมกันแต่ท่านอายุตั้งมากแล้ว <c oughs> บวชตอนอายุจะหกสิบอยู่แล้วนะนะมาบวชแต่ก็มรณภาพบดแล้วบวชพร้อมกันนะตั้งหลายองค์สี่ห้าหรือหกองค์ลนะนะแต่เป็นโยมวัดทั้งนั้นเลยหลวงพ่อชาทป็นบวชนะไปคุยด้วยนี่แค่ดีเหมือนกันนะคุยกับคนเก่า ที่เกิดก่อนเรานี้อยู่นานนี้ท่านมีอะไรดีๆเยอะนะี่ท่านเล่าให้ฟังเอ๊ะทํายังไงแต่ก่อนหนังสือหนังหาก็น้อยทำํำไมจําอะไรค่อนข้องแค่วะมีองค์หนึ่งท่านสิ้นไปแล้วท่านเคยอยู่วัดกัตศิลาวาดเนี่ยเป็นรุ่นน้องผมแต่เป็นอายุมากกว่าเป็นบวชเมื่อแก่เนี่ยโอ้แต่ท่านจําอะไรได้ค่องแค่อมากเลยผมไปฟังท่านเพลินเลยท่านเล่าเป็นกอนแม้หลักธรรมนี่เป็นกอนเลย ฟังท่านเล่าไอ้ธรรมะในนวโกบาที่ฟังนี่ฟังเพลินนี่เอวิธีจําของคนแต่ก่อนนี่เก่งมากเลยผมก็ยังไม่ ไ, มได้ขนาดนั้น<ม>ท่านผูกเป็นก้อนเป็นก้อนไล่เป็นยาวไปเลยฟังเพลินเนี่ยวิธีจดวิธีจําแต่ก่อนนี่ว่ามันไม่มีหนังสือปากกาที่จะจดสมุดจะจดมันไม่มีสมัยนั้นดนั้นคนก็เลยสลาดเนียสลาดที่จะผูกคําเพื่อให้จําได้ง่ายเนี่ย แังนภาษาที่เป็นกาบเป็นกรเป็นอะไรต่างๆมันถึงเกิดขึ้ น, นยอยู่อุบล น, นี่ใช่ไหมพระอุบาลีคุณอุปมาจารย์ท่านเก่งมากในเรื่องนี้ผมจะหาหนังสือเล่มหนึ่งมาหนังสือฝ่ญาท่านแต่งขึ้นเองเนะอ่านดูแล้วโอ้โหมันเป็นวิธีจดจำํำจํำธรรมะหรือข้อปฏิบัติในตัวท่านเขียนไว้เป็นเล่มใหญ่เลยนี่นี่มาใหมา่ไม่รู้หายไปไหนหาหลายทีแล้วไม่เจอไม่รู้ไปไหนแล้ว กุศลาอามาจากกุบดถ้าดูอันนั้นเราสามารถแต่งขึ้นมาได้เองได้ด้วยอ่านเล่มเดียวเท่านั้นนะแต่งพรยาขึ้นมาได้เลยนี่นเป็นวิธีจดวิธีจำของคนต่กอนนะให้พ้องให้จองแล้วให้ได้คติไม่ได้แต่งลามกเหมือนนักเลงนี่นักเลงนี่ฟันนันนักเลงเที่ยวอะไรนี่เาก็มีคำมีกาบมีกรฉลาดเหมือนกันนี มันมีเหมือนกันเพวกรามกก็แต่งลามกได้เหมือนกันเพราะมันคิดเนี่ยมันคิดมันก็เกิดความรู้เกิดสติปัญญาได้เนี่ยแต่อันนี้ท่านแต่งมาทางธรรมเนี่ยว่ามันเพลิดเพลิน ด, ดีเนี่ยนั่นก็เกิดจากการทำรำแล้วก็หาวิธีจดหาวิธีจำเนี่ยไม่ต้องบันทึกในตํารานี่ถือว่าที่มาจริงๆก็คือมาจากการปฏิบัตินี ความรู้ต่างๆที่มาเขียนเป็นตำราๆก็มาจากการปฏิบัติการรู้การเห็นจากการกระทำแล้ก็นำมาเป็นทฤษฎีเนี่ยมันก็วนไปวนมาถนี่แหละท่าจึงยกย่องการปฏิบัตินะว่าได้ริมรถดีกว่ารู้ชื่อของมั น, นรู้ชื่อเฉยๆมันก็เป็นโมฆะบุรุษอย่างที่ท่านว่านี่ถ้าได้ริมรถแล้วก็เป็นผู้เข้าถึงแกนแท้ของ พุทธธรรมหรือของศาสนาเนี่ยก็ดีนะศึกษาไปก็ดีนะเอาแค่นี้ก่อน